คุยกับท่านผู้ฟังผู้ถอดความขออนุญาตท่านผู้ฟังใช้คำว่าฟ้าในหนังสือโอวาสีของท่านเหลียวฝานสักครั้งฟ้าได้ประทานเทพเจ้าจากดาวดวงหนึ่งให้จุติมาเกิดเป็นปราเป็นพระหูสูตรเป็นประหนึ่งตู้พัตรยปิดกที่อารามไปด้วยแสงธรรมและเย็นฉับ ผู้ถอดความหยิบพุทธธรรมมาอ่านคราดไอเย็นแห่งธรรมะก็จะแผ่ไปทั่วกายและใจผู้ถอดความเชื่อมั่นว่าที่ถอดความหนังสือโอวาสีของท่านเหลียวฝานได้เป็นที่พอใจของผู้ติดตามก็เพราะผู้ถอดความมันศึกษาหนังสือพุทธธรรมของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมมปิฎก พอออกไปยึดเตาแม้จะยังไม่บรรลุธรรมในข้อเขียนของท่านทั้งหมดแต่ท่านก็เมตตาให้รางรถไฟไว้ดำเนินชีวิตไม่ให้ตกกร้องตกคูไปท่านได้กรุณาให้ความเย็นฉ่ำไว้ที่จิตใจท่านได้ให้แสงธรรมไว้สองทางสติสัมปชัญญะจึงชอบอยู่ในที่เย็นเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ ที่ผู้ถอดความไม่สามารถจะตอบแทนพระคุณได้เลยจึงต้องแสดงออกทางหนังสือโอวาสีของท่านเหลียวฝานนี้และทำการบ้านหนังสือของท่านเป็นเล่มๆไปตั้งใจว่าจะต้องทำการบ้านให้หมดถ้าไม่ถูกความตายพรากไปเสียก่อนก็จะถ่ายทอดธรรมะที่ท่านอบรมสั่งสอนให้แพร่หลายออกไป บางครั้งสุขภาพของท่านไม่ค่อยสมดุลท่านก็นยังพร่ำสอนด้วยความอดทนพวกเราชาวขันห้ารู้สึกซาบซึ้งในพระคุณท่านยิ่งนักได้แต่กราบท่านอยู่ในใจเสมอมามาบัดนี้การจัดทำการบันทึกเสียงโอวาสีของท่านเหลียวฝานเพื่อเป็นธรรมบรรณาการแด่ท่านสาธุชน และผู้สนใจทั่วไปทุกทุกท่านทั้งหลายและเพื่อถวายความเคารพในพระคุณของท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมปิฎกปออปยุตโตนวัตยานเวสกกวันอันหนึ่งขออนุโมทนาเพื่อนธรรมในกลุ่มขันห้าและญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ยื่นความจำนงและร่วมจัดทาการบันทึกเสียง โอวาสีของท่านเหลียวฝานในครั้งนี้และในครั้งหน้าต่อต่อไปทั้งหมดขออนุโมทนาในธรรมทานนี้ขอเหล่าสัตว์ทั้งปวงในโลกนี้ที่ได้เคยเบียดเบียนกันมาก็ดีไม่เคยเบียดเบียนกันมาก็ดีจงมีส่วนในธรรมปรีนี้ขอพวกเราที่มาชุมนุมกันวันนี้จงมีทุกน้อยลง ตามระดับจิตของแต่ละรูปนามเถินเจือจัน์อจพัน โอวาทธรรมนำมาเป็นชำรวสีทิศหวังผลด้วยทานกุศลท่านทุกผู้รู้แจ้งสันดานกระมนเลียวฝานท่านต้นทานธรรมนำชีวิต ที่มาของโอวาสีของท่านเหลียวฝานวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2524รัตนโกนสินทร์ศกที่199เทียนเล่มแรกได้ถูกจุดขึ้นเป็นปัจจัยให้เทียนเล่มต่อๆมาถูกจุดสว่างสวยอย่างไม่ขาดสายคุณจรูนโหราไทยและครอบครัว ได้ส่งชีวประวัติของท่านเหลียวฝานและท่านอินกุเทละมาให้ผู้ถอดความจึงได้ย่อมาเขียนเป็นอภินันทนาการแด่ท่านผู้อา่านเพื่อฉลองความเป็นเอกราชของชาติไทยที่ยืนยงอยู่และจะคงอยู่คู่โลกเพราะชาติไทยไฝ่ธรรมชาวไทยส่วนมากยังคงประพฤติดีปฏิบัติชอบคุณงามความดีของทุกท่านเมื่อรวมกันแล้วย่อมเป็นเกราะป้องกันผองภยัย เป็นพลังกําจัดอธรรมเป็นกุศลวิบากที่ส่งผลให้ประเทศไทยบังเกิดความผาสุกไพร่ฟ้าหน้าใสอย่างแน่นอนบทความหนังสือโอวาสีของท่านเหลียวฝานเป็นหนังสือธรรมที่ไม่สงวนลิขสิทธิ์ใครใคร่พิมพ์พิมพ์ใครใคร่แจกแจกใครใคร่ขายขายสบายใจดีทุกฝ่ายต้นฉบับดั้งเดิมของหนังสือเล่มนี้ เป็นภาษาจีนโบราณสมัยราชวงศ์หมิงราวปีพุทธศักราช 1,911 ถึง 2,187 ท่านผู้นิพนธ์มีนามว่าเรียวฝานสังเกตจากที่ท่านเล่าให้ลูกฟังในหนังสือท่านคงเกิดในราวปีพุทธศักราช2 9 2ท่านเขียนหนังสือเล่มนี้เมื่ออายุ69ปีในปีพุทธศักราช 2,161 แรกเริ่มเดิมทีท่านมีนามว่าเว้นเสียหท่านเป็นขุนนางจีนในแผ่นดินหมิงก่อนที่จะได้เข้ารับราชการได้พบพระเทระที่ทรงคุณวิเศษท่านหนึ่งสอนวิธีเข้าถึงพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงให้ท่านเรียวฝานจึงตั้งปณิธานที่จะหลุดพ้นจากความเป็นบุตุชนให้ได้โดยพัฒนาตนเองด้วยวิธีของพระผู้มีพระภาค คือการปฏิบัติอย่างจริงจังถูกต้องในศีลสมาธิและปัญญาแล้วเปลี่ยนชื่อตนเองเสียใหม่ว่าเหลียวฝานมีความหมายตรงตามปณิธานที่ตั้งไว้เมื่อการปฏิวัติราชวงศ์แมนจูของท่านซุนยัตเซนผ่านไปได้30ปีราวปีพุทธศักราช2485เป็นขณะที่วัฒนธรรมตะวันตก ได้ไหลหลังเข้ามาท่วมท้นวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนอย่างน่ากลัวนักปราชญ์ชาวพุทธจีนท่านหนึ่งมีนามว่าหวางชื่อไห่ท่านเห็นว่าหนังสือของท่านเหลี่ยวฝานี้มีคุณค่าต่อชีวิตของท่านอย่างล้นเหลือจึงใคร่จะให้อนุชนรุ่นต่อๆไปได้ศึกษาและถือเป็นแบบฉบับในการประพฤติปฏิบัติชอบอย่างทั่วถึงเพื่อหยุดยั้งกระแสะแห่งวัฒนธรรมตะวันตก เพื่ออนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิมที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมและความดีงามตามหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่ต่อไปต้นฉบับที่เป็นหนังสือจีนโบราณมีความหมายลึกซึ้งยิ่งนักอยากที่คนรุ่นปัจจุบันจะเข้าถึงอัทรสได้ทั้งหมดความจริงท่านหวางต้องการอนุรักษ์หนังสือจีนโบราณไว้เพื่อให้ชาติจีนคงอยู่ ถึงกับสอนหนังสือจีนโบราณตั้งแต่ชั้นเล็กๆในโรงเรียนของท่านภาษาสมัยใหม่เพียงแต่ใช้ประกอบการอธิบายให้นักเรียนเข้าถึงอัทรรตของหนังสือจีนโบราณยิ่งขึ้นเท่านั้นมีผู้ขอร้องท่านว่าการอ่านหนังสือที่ดีถ้าไม่สามารถเข้าใจได้โดยง่ายทำให้ผู้อ่านขาดความกระตือรือร้นเมื่อหมดความสนใจเสร็จแล้วก็ย่อมไม่ได้ผลสมเจตนารมณ์ที่ท่านตั้งไว้ท่านเห็นด้วย และเริ่มเรียบเรียงเสื้อใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2485พิมพ์ด้วยหนังสือจีนปัจจุบันที่เป็นภาษาพูดของชาวบ้านเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่รู้หนังสือเลยเมื่อมีคนอ่านให้ฟังก็จะเข้าใจสามารถนำไปปฏิบัติให้ได้ผลดังที่ผู้รู้หนังสือเช่นกันสาธุนักปราชญที่เข้าถึงพุทธธรรมย่อมไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่เสมอไป ท่านยอมโอนอ่อนตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์สุขของชนหมู่มากเป็นที่ตั้งซึ่งข้าพเจ้าก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับประโยชน์นี้เป็นอย่างยิ่งจึงของกราบขอบพระคุณท่านหวางมาณที่นี้ด้วยเมื <S <S ่อท่านเรียบเรียงดีแล้วก็ขอให้ท่านอาจารย์เจียงอวยเฉียวตรวจแก้อีกทีหนึ่งด้วยความไม่ประมาทเพราะท่านต้องการให้หนังสือ น, นี้มีความขาดตกบกพร่องน้อยที่สุด ท่านอาจารย์เจียงก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลอันดีงามจากหนังสือเล่มนี้มากมายท่านเขียนเล่าไว้ว่าเมื่อท่านอายุได้1 5บหถึงสิปีร่างกายอ่อนแอมักเจ็บไข้ได้ป่วยทําให้ขาดเรียนเสมอท่านบิดาจึงนําหนังสือนี้มาให้ท่านอ่านท่านยิ่งอ่านก็ยิ่งชอบใจถึงกับปฏิบัติตามคําแนะนําในหนังสือทันทีโดยทําบัญชีบันทึกความดีความชั่วของท่านเอง ที่เป็นความนึกคิดและพฤติกรรมในแต่ละวันโดยไม่เข้าข้างตนเองจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีบันทึกอย่างละเอียดละออไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางกายวาจาหรือใจเมื่อเวลาได้ผ่านไป 2-3 ถึงปีปรากฏว่าความชั่วได้ลดน้อยถอยลงความดีปรากฏขึ้นนิสัยใจร้อนขี้โกรธก็หายไปจิตใจสงบเยือกเย็นเป็นสุข หายจากโรคภัยไข้เจ็บโดยคุณความดีของหนังสือนี้โดยแท้ที่ทําให้ท่านพัฒนาไปเป็นคนละคนตรงข้ามกับแต่ก่อนท่านอาศัยแนวทางของหนังสือนี้ดุดเข็มทิศดําเนินชีวิตไปได้อย่างสงบสุขราบรื่นไม่มีอันต้องตกต่ำเป็นอันธพานเพราะไม่ได้ก่ออกุศลกรรมที่ทําให้เกิดความเดือดร้อนจากกายวาจาและใจแต่อย่างใด ท่านจึงรับตรวจแก้ให้ด้วยความเต็มอกเต็มใจยิ่งเพื่อบูชาพระคุณของท่านเหลียวฝานเพื่อประโยชน์สุขของคนรุ่นหลังเพื่อความผาสุขของประชาชาติทั้งมวลในโลกนี้ไม่ว่าท่านทั้งสมจะสถิตณพบใดข้าพเจ้าผู้อ่อนทั้งคุณและวุท ธ, ธิขอกราบคาระวะท่านด้วยความเคารพอย่างสูงและกราบขออนุญาตท่านทางจิต ที่บางอาจคิดถอดความหนังสือนี้เป็นภาษาไทยอีกทั้งขอขอบพระคุณสมาคมพุทธธรรมแห่งฮ่องกงเซียงกังฝูจิงหลิวทงชูด้วยกุศลเจตนาของท่านทั้งหลายที่กล่าวนามมานี้และด้วยแรงกระตุ้นของวิสเตอร์และมิสซิสโฮที่มีเจตนารมเช่นเดียวกับท่านเพียงปรารถนาให้พี่น้องชาวไทยได้รู้จักกับหนังสือนี้มีโอกาสนาไปประพฤติปฏิบัติได้ เพื่อให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมความดีงามอันเป็นนิสัยของบรรพชนไทยที่ได้รับอิทธิพลของพระพุทธศาสนาชาวไทยรุ่นต่อต่อไปควรรับไว้เป็นแบบอย่างไม่ใช่ถูกคลื่นแห่งวัฒนธรรมตะวันตกพัดพาไปตามยถากรรมจนคนไทยไม่เป็นตัวของตัวเองได้ปลดหยุดทำตัวเป็นฝรั่งดึงความเป็นไทยกลับคืนมา ช่วยกันยังความผาสุกให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราชาวไทยเถิดหากการถอดความทั้งหมดนี้จะมีข้อบกพร่องประการใดขอท่านผู้อ่านได้โปรดอภัยแก่ข้าพเจ้าผู้รู้น้อยด้วยเถิดจกเป็นพระคุณอย่างยิ่งขอความหลุดพ้นจงเกิดแก่ท่านผู้ฟังเถิดผู้ถอดความเชื้อจันอัจฉพันธ์